5. ตะละสัตติกะสิกขาบท128ถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้โกรธไม่พอใจเงื้อหอกคือฝ่ามือให้ภิกษุณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพวกภิกษุจับพักขีถาม